พระธรรมเทศนาแผ่นที่98าดลำดับที่19โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่31กรกฎาคม2559มีชื่อเรื่องว่าภาป่าเพื่อรักษาสวนแสงธรรม อาวฟังนะตนนะลล่านนะ้หน้าลูกหลานหน้าวันนี้เป็นวันที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2559วันนี้เป็นวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนพวกเราได้มารวมมาร่วมกันจัดผ้าป่าถวายไว้ที่สำนักสงฆ์หรือ ว, ว่าสวนแสงธรรมวัดสวนแถงธรรมแห่งนี้เพราะว่าวัดสวนแสงธรรมก็อย่างพวกเราได้รู้ มาก็คือองค์หลวงตาเป็นประมุกเป็นประธานท่านก็เรยรับไว้แล้วก็นี่แหละท่านกัปะการทำสั่งสอนอบรมโลกหลานมานยาวนานแต่บัดนี้หลวงตาของเราก็จุดติดนิรพานไปตามร่องรอยไปตามอายุสังขารแต่ที่มาถึงพวกเราพวกเราก็จะปล่อยปะละเลยก็ไม่ได้ก็ต้องรักษาสืบท อ, อดไปเพราะเป็นแหล่ง แห่งการสร้างบุญสร้างกุศลสำหรับพวกเราถ้าหาพวกเราไม่รักษาไว้ก็ร่องรยไปตามอายุสังขารเหมือนกันเพราะนั้นทุกคณะสิทธิ์ญาณุิสิทธิ์ทั้งฝ่ายพระและฝ่ายครวดัดประชุมหารือกันจึงได้มีการจัดผ้าป่าสามคกขีขึ้นในอาทิตย์สุดท้ายของเดือนแต่เดือนนี้เป็นเดือนพิเศษสักหน่อยอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นอย่างอาจารย์เจริญ ที่เป็นโคโสกก็ได้แนะนําว่าเก่าการเก่าวคาร ว, วะครูบาอาจารย์ทําวัดครูบาอาจารย์มีเหตุผลอย่างไรหลวงพ่อรับรองว่าอาจารย์เจริญพูดถูกนะลูกหลาน เ, เพราะท่านเคยอยู่กับครูบาอาจารย์มาเนี่ยนะท่านบอกอให้ฟัง เ, เป็นการแนะนําผู้ทุทธิยังลูกหลานที่เข้ามาสู่วัดวา ส, สนาใหม่ยังไม่รู้ก็จะได้เรียนรู้เรื่องวิธีการทําวัด แต่หลวงพ่อจะเสริมนิดหน่อยก็ตรงที่ว่าพระรัตนเตเยประมาเทนะ น, นคือพระรัตนตรัยและมหาเถเรประมาเทนะคือเป็นพระมหาเถระที่เราเคารพนับถือเริ่มใสต่อมาแล้วกับปุนหลังลงมากับเถเรประมาเทนะแปลว่าปูนคูบาจารย์อาจาริเยประมาเทนะคือเป็นอาจารย์พรรษาไม่มาก แล้วก็ท่านยังมีว่าอายัดจำมันเตประมาเทนะแปลว่าใกล้เคียงกันแต่เราทําประมาทพลาดพังกันก็ว่าอายัดจำมันเตประมาเทนะนี่แหละมีหลายขั้นตอนในการทํากราบคารวะครูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายวันนี้ก็ได้ทําทําวัดคารวะและก็พร้อมกันเมื่อจัดอาหารเสร็จเรียบร้อยรับพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรให้พวกเราอุทิศส่วนกุศล ต่อบรรพชนหรือว่าผู้มีอุปกรณ์คุณสำหรับพวกเรานานทีปีเดือนหนึ่งมีครั้งหนึ่งแต่ถือยังไงก็ขอฝากไว้กับพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะสวนแสงธรรมไม่ใช่ของหลวงพ่อนะไม่ใช่ของหลวงตานะไม่ใช่ของพระครูบาจารย์องค์ใดองค์หนึ่งท่านใดท่านหนึ่งเป็นแหล่งสร้างบุญสร้างกุศลเป็นแหล่งที่ขดหาบ่อเงินบ่อทอง สร้างบุญสร้างกุศลข้ามภพข้ามชาตินะที่มาสวนแสงธรรมแห่งนี้เราไม่ได้มามุง่งมุ่งหวังเรื่องลาบเร่องยศแต่ลเสินอะไรทั้งหมดเรามาหวัง เ, เพื่อสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันเพราะนั้นวันนี้พวกเราได้มารวมมาร่วมกันก็เสียสละทุนทรัพย์คนละมา ก, ค น, มากคนละน้อยนะเพราะมันเป็นของร่วมกันแต่คนมีมากเอาให้ตามมากคนที่น้อยให้ตามน้อย ถ้าไม่มีไปยกมือเอออนุโมธนานะเน อ, อเพราะว่าสวนแสงธรรมมันจําเป็นก็ต้องได้ใช้นะแต่ถือยังไงก็ตามออช่วงนีออ้คุณชายของเราก็ไม่ค่อยสบายจึงไม่ได้มาคราวที่แล้วหลวงพ่อก็ไม่เห็นนะมาคราวนี้หลวงพ่อก็ไม่เห็นคุณชายเด็กคุณชายก็ได้ทราบข่าวว่าท่านไม่สบายแต่ก็ไม่มากเท่าไหร่หรอก เ, ออเปลือกกระดูกอะไรหลังของท่านเนีเออ่ยเขาจะซีดอะไรซีเมนเข้าไป นั่นละ่ะลักษณะอย่างนั้นละ่ะเราเชืว่าคราวหน้ากองได้พบได้เห็นคุณชายแต่ก็หลวงพ่อเองก็ขอฝากฝากไว้กับทุกคนกับคณะกรรมการและโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์เจริญที่ผู้มาที่มาเกี่ยวข้อง เ, อเรื่องค่าใช้ใจ่ายในสวนแฉงธรรมไม่ต้องหนักใจคำว่าไม่หนักใจคำนี้คืออะไรคือมันมีมากก็ใช้มากมีน้อยก็ใช้มอดแต่ถึงยังไง ถ้าทุกครั้งอาทิตย์จุดอาทิตย์สุดท้ายของเดือนนะอาทิตย์สุดท้ายของเดือนถ้ามีศรัทธา ญ, ญาติโยมมาไม่มากมีคนถวายจะปัจจัยไม่มากเพราะคนไม่มากฮอค่าใช้ใจ่ายสวนแสงธรรมมีเท่าไหร่เราใช้ประมาณแสนหนึ่งอย่าสมมุติว่าค่านา้ําค่าไฟค่าวิทยุมีความจําเป็นเดือนหนึ่งเราจะต้องใช้ประมาณนี้เดือนหนึ่งแล้วแสนหนึ่งแล้วแสนสองเนี่ย เมื่อเราได้มาเราควรจะหักไว้ก่อนนะหลวงพ่อว่านี่หลวงพ่อขอแนะนำนะหักไว้ก่อนเพื่อใช้ในสวนแสงธรรมของพวกเราจํานวนที่เหลือก็ถวายครูบาอาจารย์พระสงฆ์มาจากจารุรทิศอย่างมาดันวันนี้แหละถ้าว่าวันเข้าไหนมีศรัทธาญาติโยมถวายมากถวายมากไปถ้าหาว่าวันไหนมีคนมาถวายน้อยเราก็หักไวส้สวนแสงธรรมคือสวนแสงธรรมนี่ยคือหลัก เ, เป็นหลัก ที่จะให้สวนแสงธรรมล้มไม่ได้นะจะให้หนักใจผู้ใดผู้หนึ่งไม่ได้เด็ดขาดอีกเหมือนกันหน้าเมื่อปัจจัยไม่พอใช้เราจะไปขอจากหลวงพ่อจุใจหลวงพ่อจุใจเป็นเป็นผู้ดูแลสวนแสงธรรมอยู่ก็ไม่น่าจะถูกเพราะหลวงพ่อจุใจท่านกนหนักทางนู้นอีกเหมือนกันพวกเราคิดว่าวัดใหญ่คิดว่าจะรวยทีเดียวก็ไม่ใช่นะบางทีท่านก็ใช้ใหญ่อีกเหมือนกันนั่นแหละ ใช้ให้คณะศิทิ์ยาดุจิตฐขาดน้ำขาดไฟขาด ข, ของอาหารที่พมาเกี่ยวข้องท่านก็หนักของท่านเหมือนกันเพราะนั้นพวกเราเ อ, อ, อยู่ณสถานที่ใดให้บริหารให้ช่วยกันจัดการนะหลวงพ่อคิดว่าไม่นานมีปัญหาเพราะว่ากรุงเทพมหานครของเราก็เป็นแหล่งแหล่งศรัทธาอยู่แล้วแหล่งการกุศลอยู่แล้วถ้าหากว่ามันขัดข้องอย่างไร ก็ให้ให้อาจารย์เจริญบอกกล่าวไม่ต้องหนักใจนะไม่ใช่ไวอุบอยู่ในใจไม่กล้าพูดใครอย่างนั้นก็ไม่ถูกแต่หลวงพ่อมาก็บอกไวบอกเลยหลวงพ่อจินดีออพอเห็นอะไรพอหลวงพ่อนี่หลวงพ่อประกาศได้เลยนะหลวงพ่อเป็นพระสาธารณะพี่น้องลูกหลานนะสาธารณชนถ้าหาวักกลุม่มใดก็ตามถ้าเป็นศีลเป็นธรรมหลวงพ่อก็เข้าไปช่วยพอที่มีกําลังที่จะเข้าไปช่วยได้นะนี่ก็เหมือนกันวัด สวนแสงธรรมสาธารณะเป็นของพวกเราทุกคนหลวงพ่อยินดีรับฟังถ้าหกว่าจตุปัจจัยที่มีค่าใช้ใจ่ายมันหนักหนามีความจำเป็นะต้องได้ใช้นะ่ะอย่างพวกเราท่านทั้งหลายพวกคงจะจาได้ปี54นะ่ะน้ำท่วมสวนแสงธรรมของพวกเราเคราวนั้นก็หลวงตาก็จากไปหมัดหมาดเทนีแล้วจะทำยังไงพ่ออนนะับคนหลวงตาจากไปคนน้าก็ท่วมทนี่ ค่าใช้ใจ่ายก็มากมายทีเดียวเพราบทนั้นพวกเราจึงได้จัดผ้าป่าในช่วงนั้นนะหลวงพ่อยังจําไม่ลืมหลวงพ่อยังภาคภูมิใจอย่างมากเพราะเหตุไรพ่อว่าพี่น้องประชาชนให้ความสนับสนุนทั้งที่น้ําท่วมกรุงเทพต่างคนก็ต่างเศรษฐกิจในช่วงนั้นก็ย่าแย่อยู่แล้วแต่พอมาวสวนแสียงธรรมพวกเราก็เรียกร้องหาการอว่าควรจะบูรณะสวนแสีงธรรมให้ฟื้นขับสู่สภาพ พอประกาศขึ้นมาแล้วก็ทอดผ้าป่าสามัคคีในวันนั้นหลวงพ่อจําไม่ลืมกระทั่งเดียวนี่ได้ทั้ง12ล้านนะเงินสดนะจากนั้นก็จะตกปัจจัยก็ได้มาเพิ่มเติมว่าอีกรวมแล้วเป็นหลวงพ่อกถามสุดใจหลวงพ่อสุดใจเออรวมยอดถือที่เท่าไหร่ทั้งเช็คทั้งอะไรทั้งโอนเข้ามาเป็นเงินเท่าไหร่หลวงพ่อสุดใจท่านก็บอกประมาณ17ล้านครับนี่แหละหลวงพ่อก็เห็นว่าอน้ําใจของพี่น้องประชาชน ได้มารวมมาร่วมกันจึงพัฒนาขึ้นมาอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นนี่ยขึ้นหลายๆอย่างเพราะจะตุปัจจัยเหล่านั้นแห ะ, เ, ะเพื่อพัฒนาสวนแฉ่งธรรมแต่ตอนนี้ต่อไปอย่างที่อาจารย์เจริญได้โพูดว่าจตุปัจจัยที่พวกเราถวายในวันนี้ก็แบ่งข้างค่าน้ําให้ค่าไฟสถานีวิทยุเสียงธรรมด้วยและค่าดูแลสวนแฉ่งธรรมค่าอะไรแต่ไม่อะไรหลายๆอย่าง ถ้าพวกเราเข้ามารู้มาใกล้แล้วจะรู้ได้ว่าค่าใช้จ่ายเบียอะไรบ้างตลอดถึงเสนาธนะอกอกน้ําแป๊บน้ำตามในกฎติต่างๆก็จําเป็นเพราะเราสร้างขึ้นมาแล้วมันสําฤทธิขึ้นไปแล้วก็ต้องเอาจตุปัจจัยก่อนนี้แหละเป็นกองกลางจะต้องดูแลบํารุงสวนแสงธรรมของเราเพราะฉะนั้นขอให้ขอฝากไว้กับพี่น้องชาวไทยญาติโยมทุกหมู่ทุกเหล่าเน้อแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดใครผู้หนึ่งหนักใจกับการเสียสละในเรื่องนี้แต่ที่ยังไงให้มีส่วนร่วมให้มีส่วนร่วมไม่ใช่ปล่อยปะละเลยเให้มีส่วนร่วมและก็พร้อมกันสวนแสงธรรมไม่ใช่มีแต่แห่งนี้แห่งเดียวนะตรงข้ามก็เป็นที่สวนแสงธรรมเหมือนกันเป็นวัดหลกงตารับไว้เหมือนกันจุดน้อยก็เป็นฝ่ายอุบาสิกาเป็นที่พักของฝ่ายอุบาสิกา ทั้งนู้นก็หลายไร่เหมือนกันนะและก็พร้อมกันหลวงพ่อขอประกาศพอได้มาพูดถึงจุดนี้แล้วก็ขอประกาศย้ำอีกว่าวันที่21เนอะเป็นวันที่หลวงพ่อจะลงมาอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเจ้าภาพที่ถวายสวนแสงธรรมเนี่ยลูกหลานของโยมคุณโยมเนี่ยอาจารย์หมอ ไอ้ที่ปนไรวันครับหมอคุณหมอออไรวันเี่ที่ถวายสวนแสงธรรมกับคุณโยมสักสั ก, ส, กสักคนที่เป็นพันยาที่เป็นสามีของท่านะสองตายายเนี่ยท่านมอบที่ดินสองแปลงแปลงแปลงซ้ายขวาเ่แปลงนี้ก็คือแปลงหนึ่งแล้วก็แปลงตรงข้ามอีกแปลงหนึ่ง ที่ท่านได้มอบให้องค์หลวงตาก็เป็นสมบัติของวัดป่าบ้านตาดแล้วนะวัดป่าบ้านตาดเป็นผู้ครอบครองทั้งสองแห่งบัดนี้ก็เมื่อมครอบครองแล้วก็ต้องได้ซ่อมคุณชายความกระทำกาแพงทางนู้นนะ่ะแล้วก็สร้างเสนาชนะทางนู้นเอกและกระทางนี้อกีกมันเป็นสองแห่งนะเพราะฉะนั้นวันที่21สิงหาเป็นวันครอบครอบวันมรณภาพของคุณโยมคุณหมอ คุณย่ญญาอุไรวันของพวกเราหลวงพ่อจะได้ลงมากับคณะสงฆ์เพราะนั้นครูบาอาจารย์พระสงฆ์ที่หลวงพ่อพูด่ยก็ขอที่โม น, น่ามาร่วมกันตลอดถึงพี่น้องประชาชนพวกโมูกเหล่าก็มาช่วยๆกันมาร่วมกันมาตักบาตร ท, ทาบุญเพื่อลาลึกถึงคุณยายของพวกเราที่ท่านมีน้ําใจได้ถวายที่ดินเหม่หมอบให้ถวายอง์หลวงตาพวกเราก็ได้ ได้มาสร้างบุญสร้างกุศลอย่างวันนี้แหละถ้าหากคุณยายไม่ได้มอบที่ดินให้พวกเราก็คงจะไม่ได้มาร่วมมารวมกันสร้างบุญสร้างกุศลสรุปแล้วก็คือสวนแสงธรรมแห่งนี้เป็นสถานที่เพาะชำะธรรมะเข้าสู่จิตใจของพวกเราหลวงพ่อพูดอย่างนี้ก็ไม่น่าจะผิดเหมือนกันเพราะสถานีวิทยุเสียงธรรมตั้งขึ้นมาในกลางวัดเนี่ย เป็นการประกาศธรรมขององค์หลวงตาทุกวันทั้งวีดทั้งวันตลอด24ชั่วโมงตอนกลางวันทั้งกรเทศในแนวหนึง่งครูบาอาจาจรย์แสดงธรรมแต่ตอนกลางคืนตั้งแต่สองทุ่มแล้วไปหลวงตาจะประกาศธรรมแนะนําสั่งสอนพระเท่านั้นเป็นธรรมเทศนาที่ลึกซึ้งหาฟังได้ยากธรรมเทศนาของหลวงตาตั้งแต่สองทุ่มแล้วไปนี่แหละสวนแสงธรรมประกาศธรรมถ้าว่าผู้ใดไม่ได้ อยู่ในกรุงเทพก็ไม่ได้ฟังหลวงตากันสวบมามานั่งอยู่ใต้ถุนศาลานี่ก็ได้เนี่ยเอาก็มานั่งภาวนาเปิดทา ฟ, ฟ, ฟังธรรมเทศนาหลวงหลวงตาทุกวันอาทิตย์วันละหนึ่งชั่วโมงจากนั้นค่อยกลับบ้านก็อย่างได้เนี่ยมาฟังเทศหลวงตาอยู่ที่สวนแสงธรรมเปิดขึ้นมาก็ได้ฟังเลยล่ะ เ, เสียงชัดเจนเลยล่ะ เ, เพราะนั้นถือว่าพวกเราเป็นผู้มีบุญนะคาราทาญาติโยม แต่ก่อนกว่านที่จะไปฟังธรรมเทศนาครูบาอาจารย์โอ้ตลอนตระลอนออไม่รู้ไปที่ไหนต่อที่ไหนใช้เวลาตั้งนมนานกว่าจะได้ฟังธรรมเทศนาของครูบาอาจารย์แต่นี้พวกเรามานั่งที่สวนแสงธรรมได้ฟังเลยหนะลวงตาจะเทศเทศให้ฟังเลยนะธรรมะที่ลึกซึ้งที่องค์ตาอบรมแนะนําสั่งสอนพระขององค์หลวงตาเพราะฉะนั้นพวกเราถือว่าเป็นผู้มีบุญนัทธาว่าเราเสะแสวง ไฟในการศึกษาไฟในการเรียนรู้ไฟในการประพฤติปฏิบัติธรรมมาฟังศึกษาจุดนี้ได้นี่แหละสวนเจ้าธรรมหลวงพ่อจึงบอกว่าเป็นแหล่งธรรมะ เ, เป็นแหล่งประกาศธรรมขององค์หลวงตาเป็นที่พ่อคุณคุณงามความดีจึงไงๆที่เป็นคุณงามความดีให้พวกเรามาสังสมตรงนี้ละ่ะตรงนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นเป็นแผ่นดินที่ศักดิ์สิทธิ์เพราะอะไร อ, องค์หลวงตาเป็นผู้รับและผู้แสดงธรรมให้กับโปรดลูกโปรดหลานเพราะนั้นสิ่งใดก็ตามลูกหลานทุกคนนะั้นหลวงพ่อขอย้ำขอกล่าวขอเตือนพวกเราท่านทั้งหลายสิ่งไหนที่มันไม่ดีมาณนะสถานที่นี้อย่าไปคิดอย่าไปทำอย่าไปพูดนะให้ให้คิดทำพูดแต่สิ่งที่ดีให้เป็นสิ่งที่เป็นมงคลเพราะที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดิน เป็นมงคลมหามงคลลงตาแผลเมตตาใส่แผ่นดินจุดนี้นานเท่านาน <c oughs> เพราะฉะนั้นพวกเราจะมาคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วกรรมชั่วที่เราทํามั น, มนทวีคูณนะมันพอกคูณนะเพราะอเพราะว่าพวกเราทําสิ่งที่มันไม่ดีเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทําแต่สิ่งที่ดีๆนะมา ส, ว น, มาสวนแสงธรรมคิดดีทําดีพูดดีจะเป็นปุญกุศลพอกคูนทวีคูณเออใ น, ในการสร้างบารมีของพวกเราทันทั้งหลาย เะนั้นวันนี้เมื่อพระสงฆ์อนุโมทนาเสร็จเก็บ้อยแล้วจากนั้นไปพวกเราก็รับทานอาหารตามอัธยาศัยเมื่อเสร็จแล้วก็ได้มาร่วมมารวมกันกล่าวคำถวายผ้าป่าสามัคคีเพื่อบารุงสวนแสงธรรมอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเร็กล่าวและตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรรับพรในเสนีเนระคณะสัตย า, า, าติโยมโลูกหลานทุกคนอุทิศสวนกุศลด้วยนาน นานๆทีพวกเราจะได้มามาร่วมมารวมทำบุญกันอย่างนี้นะ